ทันสาธุชนบุตบบริษัททั้งหลายและท่านผู้รับฟังทั้งหมดวันนี้ก็เป็นรายการของที่สิบแปดธันวาคมสองพันห้ารอยามที่เอ็ดเหมือนกันแต่รายการนี้ขอให้ชื่อเรื่องว่านางเทพธิดาปูทะเล สำหรับเรื่องเทวดาก็ดีสวรรค์ก็ดีมโนสโลภมโนโลกโลก็ตามนารกก็ตามพระพุทธเจ้ายอมรับรองอาตมาก็บวจเข้ามาจากพระไตรปิดกก็ยอมรับนับถือว่าพระจิตวิตริยพูดถึงพบต่างๆให้ถูกต้องยิงบวชเข้ามาจะนั้นวันนี้และต่อไปนี้ขอพูดตามความจริงในวิชาความรู้ของพระพุทธศาสนา ถ้าใครจะกล่าวโจทย์โทษตรวจความผิดก็ตามใจในเมื่อไม่ผิดจะหาว่าผิดก็ต้องแยกพักแยกพวกกันอยู่เป็นทร์วิสระอาการนี้ตั้งใจมานานแล้วว่าถูกรบกวนหนักเมื่อไรจะแยกพักทันทีเพราะว่าเวลานี้และเวลาไหนก็ตามไม่เคอยยอมรับความจริงกัน ความจริงมีอยู่ในศาสนาเขาองค์สมเด็จพระบรมครูแต่ว่าถ้าใครพูดความจริงหาว่ามีความผิดแล้วก็คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิละ่ะถูกอยู่เสมอหรือสวรรค์มีจริงบอกว่าสวรรค์ไม่มีนรกมีจริงบอกว่านรกไม่มีตายแล้วมีสภาพศูนย์อันนี้มันเป็นศาสนาเขาเดียร์ีแต่พราหมณ์บางพวกก็ยอมรับว่าสวรรค์นรกมีจริง เรื่องนี้ปรารคให้ทราบมาดีว่าใครพูดไว้ก่อนพูดแล้วถ้าเรื่องเกิดจริงก็ทำจริงตามนั้นเพราะว่าบัดนีเวลานีบัรดาทพรพุทธบริษัทหลายท่านมีมากด้วยกันสามารถเจริญกรรมฐ า, านในส่วนของวิชาสามบวกกับปัญญาหกอันนี้เป็นความรู้ในพุทธศาสนาพระนะควรจะรู้ทุกอง ไม่ใช่ว่าพระจะพนั่งคัดค้านวิชานี้วิชาของพุทธศาสนาสุขภวิบสโกทีวิโชชะละปิญโยปฏิชฌพิทัพปโตพระมีความจําเป็นต้องรู้ในเมื่อพระมีความจําเป็นต้องรู้ก็ไม่น่าจะสงสัยถ้าไม่รู้ก็แสดงว่าท่านไม่สนใจในพุทธศาสนาจริงมันเป็นวิชาความรู้ที่ไม่หนักนัก แม้แต่เด็กนักเรียนก็ทำได้เป็นนะว่าที่พูดอย่างนี้พ่อะไรเพราะว่าตอนนี้ไปก็จะพูดถึงเทวดาและนางฟ้าปัจจุบันก็เดี๋ยวจะหาโอทิอริมารดสถากันอีกอันนี้ไม่เป็นไรอย่าลืมนะโจทกันเมื่อไรแยกพวกกันเมื่อ น, นั้นหมดเรื่อ ง, องราวกันไป <c oughs> บอกกันไว้ก่อน ถ้าสงสัยคนจะไปฝึกฝนให้ดีทำให้มันได้เขาทำมันได้เยอะแยะไปอย่ามัวติดกระดายนอนเพลินไปสิติดอารมณ์ของใจไว้บ้างจะมีประโยชน์ขอกล่าวถึงเรื่องนางเทพดาภูทะเลขณะที่นั่งอยู่กับท่านปัญญาสิกขาเทพบุตร <c oughs> ก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงประมาณแปดคน รับจริงๆแล้วได้ไปคนจริงๆรุร่างหน้าตาสะสวยงดงามมากผิวพรรณผองใสเครื่องประดักก็สวยเธอมองหน้าแล้วก็ยิ้มยิ้มแต่มีคนหนึ่งนั่งอยู่ใกล้อัตมาที่สุดเธอมองหน้าไม่ละก็สงสยัยว่าเราจะเกิดมีแฟนบนสวรรค์เช่นดาวดึงสเทวโลกได้ออยังไง <c oughs> คำว่าแฟนนี่เข้าแปลว่าคลั่งเราจะเกิดไปคลั่งกับนางฟ้าบนสวรรค์และดาวดึงก็เป็นไปไม่ได้ก็สภาพของคนพูดอยู่ในสภาพเหลวเยะแต่เวลาที่ออกจากประยากายมันก็ไม่เหล่าน่ะตอนนี้บันดา น, นางฟ้ากับคนมันรักกันไม่ได้มันแต่งงานกันไม่ได้ เวลาไปนั้นก็ไปโดยธรรมถ้ามีนิวร น, นิดหนึ่งก็ไปไม่ได้ต้องละนิวรณ์ให้แน่แน่นอนเฉพาะเวลานั้นทำจิตให้สะอาดไม่เกาะในรมต่างๆในเมื่อมีลมผ่อนสายดีแล้วมันก็หลุดไปเองไม่ต้องบังคับให้ไปมันไปเข้ามันเองในเมื่อไปด้วยสภาพจิตผ่อนใสาอารมณการมารุ ม, มันก็ไม่มี แปลว่าบเบื้องหลังของหญิงปลาคนมีภาพแปลกความจริงสวรรค์ชั้นดวดืงนี้ก็มามากมาบ่อยแต่ไม่เคยภาพเห็นภาพอัศจรรย์แบบนี้มันเป็นภาพหญิงคนหนึ่งอยู่ไกลออกไปประมาณทักงสองเส้นเป็นภาพใหญ่มากสีเนื้อดําแดงค่อนข้างดำอ้วนใหญ่หน้าตาหน่าเสียหน้ากลัว ในความรู้สึกว่าภาพนั้นเป็นภาพข้านางยักษินีจึงหันมาถามท่านปัญจสิกขาเทพบุตรถามว่าบนเมืองสวรรค์นเนี่ยมีภาพประเภทไม่สวยอย่างนี้เหมือนกันหรือ <c oughs> ท่านปัญจสิกขาจะบอกว่าไม่มีปกติไม่มีก็ถามว่าฉันขึ้นมาทุกครั้งก็ปรากฏว่าไม่มี แต่วันนี้มันมีมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง <c oughs> ท่านปัญจสิกธิขาก็บอกว่าหญิงไปดคนนี่ที่เป็นนางฟ้าอยู่เวลานี้ที่ท่านเห็นเป็นคนที่มีบาปอยู่เบื้องหลังในก็หมายความว่านายระยะต้นสร้างบาปไว้มากแต่ว่าไม่ถึงอนันตริยกรรมคือกรรมไม่หนักเกินไป ว่าตอนใกล้จะตายด้วยช่วงหลังของชีวิตทํากําลังใจเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักการให้ทานรู้จักการนักษาศีลรู้จักการเจริญาวนาไม่ว่าเอากําลังความดีลบความชั่วไว้ชั่วขณะหนึ่งเวลาที่จะตายจิตใจก็เกาะความดีในที่สุดก็มาเป็นนางภ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดงวโลกก่อน แต่ได้ว่าบาตรยังติดตามอยู่ถ้าเธอต้องจุดติพระ้าสวรรค์ท่านเดาดึงเมื่อไรแล้วก็ไม่สร้างความดีไว้เพื่อการป้องกันนั่นถึงหมายความว่าบาตรต้องดึงเธอทั้งหมดลงอาบายภูมทันที <c oughs> นี่ระบรรดาท่านพุตบริษัทคือท่านผูอ้อ่านฟังแล้วอ่านแล้วก็จงคิดตาม ว่าตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตสังขิเตทุกติปาฏิคังขาื่อเวลาจะตายจิตใจไปอกุศลแล้วเศร้าหมองนิดหน่อยไปอาบายภูมิทันทีจิตเตะวริสุทธิท์เทะสุขติปาฏิคังขาก่อนจะตายแม้แต่จิตใจผ่องใสเน้นได้ข้อมูลอกุศล น, นิดหน่อยก็ไปสวรรค์ทันทีครัมความวิวหญาณทั้งแปดคนนี้มีบาปหนัก แต่ว่าไม่หนักถึงอนันตริยกรรมอาเดวาเธอเอาจับกำลังบุญไว้ที่หลังภายหลังก่อนจะตายต่อจากนั้นไปก็หันไปถามนางเทพธิดาปูทะเลถามว่าน้องหญิงอยากจะทราบว่าสมัยที่เป็นมนุษย์เธออยู่ที่ไหนเธอก็ตอบทันทีว่าจำฉันไม่ได้หรือ ก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นขอดูภาพเดิมภาพเดิมของของเธอวันดาท่านผู้ฟังเป็นคนรูปหล่อจริงๆแต่หล่อประเภทที่ยังไม่ได้ขัดนั่นก็หมายความให้ดูของที่ก็หล่อใหม่ๆยังไม่ตกไม่แต่งไม่ขัดจะเปนยังไงเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นคนแก่อายุจริงๆก็ประมาณตั้งห้าสิบปีเศษใกล้หกสิบปี ผิวเนื้อดำแดงค่อนข้างดำร่างใหญ่เถอะทะถ้าถามเธอว่ารูปหุ่นของเธอเป็นอย่างนี้หรือเธอมีสามีหรือเปล่าเธอก็ตอบว่ามีก็เป็นนั้นว่าคนที่มีสามีสแสดงเคยเป็นคนสวยเพราะว่าถ้าไม่มีชายใดเห็นว่าสวยเขาก็ไม่ดึงเธอไม่รับเธอมาเป็นคัญยาขอดูภาพต้น เธอก็เห็นตั้งแต่สมัยเธอเป็นเด็กแม้จะเป็นสาววัยรุ่นเป็นสาวโตสาวใหญ่แต่งงานวงความร่างกายของเธอมาเปลี่ยนแปลงตอนอายุใกล้สี่สิบตอนเป็นเด็กก็เป็นสาวรุ่นเป็นสาวโตก็ตามรูปร่างหน้าตาดีสรดทรงดีผิวพรรณก็รู้สึกว่าจะไม่ดำที่เนื้อดำแดงเคลี่ยง แต่ว่าอาชีพของเธอเธอเป็นคนจนเวลานั้นอาชีพจริงๆก็คือหาปูทะเลจับปูทะเลมาขายปูทะเลจับมาได้ก็ต้องมัดแล้วก็ทําอะไรบ้างก็ไม่ทราบ ม, มัดมัดน่ยเก่งสะด้จับปั๊บเดี๋ยวมัดปุ๊บจับปั๊บมัดปุ๊บแม้จะเป็นเด็กก็คล่อง ถ้าอย่างคนพูดจะไปจับปัง้งเขาดินเมีความหวังว่าปูทะเลงับเอาเอากล้ามนิบตายแน่เธอเข้าแค่ได้แล้วก็มาขายเป็นสาวก็ทำอย่างนั้นแต่งงานแล้วก็ทำอย่างนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงเอาจริงๆเมื่ออายุสามสิบปีเศษตอนอายุสามสิบปีเศษที่มีทุนอยู่บ้างไม่จับปูแล้ว ขายปูได้กำไรพอสมควรเป็นคนซื้อปูมาขายเป็นว่าการซื้อปูมาขายก็ปูที่เขาจับมาแล้วถูกมัดแต้เธอก็คุมเพื่อการขายบันดาท่านอันไหลก็ลงนักดูว่าสภาพถูกมัดกระดิกกระเดี้ยไม่ได้แบบนั้นมันจะมีการทรมานมีการเจ็บการปวดการมื่ยขนาดไหนทรมายขนาดไหน สภาพของปูทะเลก็มีสภาพแบบนั้นเหมือนกันก็สรุปแล้วว่าเธอทำบาปมาอย่างหนัก น, นี่บาปที่ติดตามมาที่พระเปินภาพภาพนางยักษ์ศีโปรขึ้นมาเป็นแบบนั้น <c oughs> ตอนนี้ก็มาตอนหลังอายุเข้าสี่สิบปี ในความจริงในตอนระยะต้นๆตัต้งแต่เด็กมาเป็นสาวมาสาวเล็กสาวใหญ่ไปมีแต่งงานแล้วก็ตามบุญเธอก็ทําบ้างแต่คุณบุญทําแบบผิวเผินจริงๆนั่นก็หมายความว่าใส่บาตรบ้าง น, น, นานๆก็ใส่ครั้ง น, น, นานๆเขามีเทศก็ไปฟังบ้างแต่ไม่ได้ตั้งใจนักเขาทําบุญเลี่ยไรยก็ทําบ้างแต่ไม่ไตั้งไม่ได้ตั้งใจมาก ทรรมประเพศปัจฉว a ้ผ่านคนไปดัง <c oughs> น, นั้นท่านอย่างหลายที่แจกดีกาเพื่นทราบว่าคนที่เขาทําบุญตามดีกามามันจําใจทํากันมากแต่ก็ได้บุญถึงแม้จะได้บุญไม่เต็มแม้เต็มหน่อยอย่างทาวบ้านเขามีข้าวหนึ่งกระมังได้บุญเต็มไม่เต็มหน่อ ย, อย เราได้บุญไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มหน่วยได้คัดได้มีข้าวหนึ่งจานก็ยัยงดีก็ไม่มีเลย <c oughs> ตัวความว่าเธอทํามาต่อเมื่อมามายุสี่สิบปีเสร็จก็มีความรู้สึกว่าอาชีพเดิมทั้งหมดมันบาปทั้งหมดบังเอิญมีพระที่น่าเคารพท่านหนึ่งท่านปอธิบายใฟังพระใกล้บา้าน <c oughs> เป็นพระหลวงตาท่านอธิบายฟังว่าการทําแบบนี้มันบาป พระหลวงตานั่นก็เป็นพระที่ไปรับบาทประจำผ่านอยู่เสมอในที่สุดก็ละจากอาชีพนั้นมาเป็นอาชีพรับย่างอย่างอื่นที่ไม่เป็นบาปตอนหลังนี้ตั้งหน้าตั้งตาทาบุญด้วยความจริงหน้าขอบคุณหลวงตาองนั้นท่านและมารยะใกล้จะตายสี่เดือน เธอก็มีโอกาสมาที่วัดท่าสูงเธไล่าฟังนะบุญใหญ่เธอทำมาเป็นโอติใส่ปายก็ทามาฟังเท่ก็ททำมาใครก็ไปเไรื่อยๆก็ให้ทำมาเรื่อยๆจิตใจเป็นบุญกุศลที่มาวัดท่าสูงนี่ก็มาเป่ายางกรอบพิษเห็นวัดเขาก็ชอบใจเขอคิดในใจว่าวัดสวยๆแบบนี้หายาก เธอก็ไปสนใจมันดกแก้วที่ปิดกระจกทั้งข้างอกข้างในสนใจมากเข้าไปนั่งไหวพระดูภาพพระก็ชอบใจเห็นมันดกก็ชอบใจมีจิตใจสดชื่นไปนั่งนานจงกว่าจะได้ทั้งเวลาเป่ายางรอบเพชรก็ไปรับยันเมื่อไปรับยันตอนเชา้ชาสี่โมงเช้าแล้วรากบรถเขาประกาศว่าขยะออกสี่มงเย็น ก็มานั่งป๋ออยู่ที่บนดกแก้วตามปกติสดชื่นมาจิตใจจับที่นั่น <c oughs> ต่อมาได้ทราบข่าวว่าที่ซอยสายลมมีพระวัดท่าสูงไปสอยกรรมาฐานที่นั่น <c oughs> เธอก็ไปไปกับเขาด้วย <c oughs> ไปเจริญกรรมาฐานวันแรก <c oughs> เธอบอกว่าภาพพระที่มองเห็น เวลาลืมตาเวลาหลับตาแล้เปลี่ยนพระใหม่พระองนั้นไม่เห็นเป็นพระปูไปบรรดาปูที่คลานโ ย, ยเ ย, ยที่เธอจับมาก็ดีกําลังภาพมัดปูก็ตามขายปูก็ตามนั่งขายปูก็ตามรวมความว่าภาพนั้นปรากฏเต็มไปหมดจะมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นพระ <c oughs> เห็นแต่ปูแทน ในที่สุดลืมตาทิ้งภาพปู่ลืมตาดูพระใหม่เห็นภาพพระแจ่มใสดีสดชื่นก็ลืมตาแบบนั้น น, น, นานๆหน่อยก็หลับตาปุ๊บเมื่อหลับตาไปทีแรกก็ปรากฏเห็นปู่อีกเป็นอันว่าวันแรกของการเจริญกรรมาฐานคือเป็นวันเสาร์ไม่มีผลเป็นพระมีผลเป็นปู่ทะเล เอ้ก็เศร้าสลดใจ <c oughs> ต่อมาเรื่องการอุทิศสงังฆศลพระท่านแนะนำบอกว่าให้พยายมและเทพเจ้าเป็นพยานในการบาําเพ็ญกุศ ล, ลถ้าท่าอธิบายว่าปรอิญพยายมเ่าบอกว่าถ้าใครทําบุญไว้ด้วยเราที่สงังฆศลให้ฉันเป็นพยานถ้าบาังเอิญที่จะผ่านธนัตฉันการสอบสวนเรื่องบาปก็ไม่มี ฉันจะเป็นวิ ญ, ญาณให้ก็บุญมีอยู่จะส่งไปสวรรค์ก่อนเธอก็บอกดีใจถ้อยคำนี้เวลาท่านนำมูทิส่งสนก็สดชื่นมากตั้งใจจริงๆเพราะว่าเจ้าปูเป็นเหตุยังไงยังไงไม่ขอลงนรกแน่ <c oughs> <c oughs> เนื้อคิดในใจว่าแต่คืนลงนรกเสียท่าปูปูมันตามนีก็แน่มันปูเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่น เจ็บตายเธอไม่ได้คิดถึืงไฟคิดถึงปูอย่างเดียวแล้วก็กลับบ้านคืนนี่ก่อนที่จะกลับบ้านตอนนั้นก็ถวายสังฆทานก่อนพอเสร็จจากการอุทิศส่สนสลแล้วก็วิ่งแล่กันไปหาจุดสังฆทานแจชุดใหญ่ห้าร้อยแปดร้อยพันสองพันก็สตังค์ไม่มีมีสตังค์ะสมมเสียได้ร0อยบาทเอาชุดหนึ่งร้อยเถอะ ก็ชุดหนึ่งรอยมาวันรุ่งขึ้นไปใหม่ตั้งใจว่าไปที่แรกจะถวายสังฆทาน ท, าทันทีชุดหนึ่งรอยบาทก็ทำาังทานชุดหนึ่งรอยบาทชุดเล็ก <c oughs> แล้วก็ฟังการคุยไปนั่งดูพระพุทธรูปไปตัดสินใจวันนี้จะไม่ยอมให้ปูเข้ามากวนใจจะขออยู่กับพุทธรูปหลับตาบ้างลืมตาบ้างใครคุยยังไงก็ช่างสนใจพุทธรูปอย่างเดียว ว่าตอนกลางคืนจเจริญกรรมฐ า, านเสร็จก็ถวายสังฆทานอีกครั้งแต่ว่าตอนคืนที่สองปรากฏเวลาหลับตาปูกับพระแย่งกันวันเดียวภาพภาพพระเกิดขึ้นบ้างเห็นภาพปูบ้างภาพพระบ้างภาพปูบ้างสลับกันเธอก็ดีใจว่าวันนี้พระสู้กับปูแล้ว <c oughs> ปูกับพระสู้กันปูแพ้ปูเกิดขึ้นมาน้อยภาพเห็นภาพพระมากเห็นภาพปูน้อย ต่อมาวันนี้สามทำอย่างนั้นอีกวันนี้ชนะเด็ขาดปูไม่ปรากฏเหน็นพระอย่างเดียวไปถึงแล้วปั๊บไม่ต้องการอะไรทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตาใจตาตาเจ้องภาพพระพุทธรูปกับ พ, พระสงฆ์ที่พูด <c oughs> เอาสองพระพระนี่ขับปูก <c oughs> ลร้มความว่าได้ผลวันนี้ปูไม่ปรากฏใช้พระเอาพระพุทธรูปด้วยเอาพระสงฆ์ด้วยช่วยกันขับปู มองลีลาของพระสงฆ์ที่นั่งมองลีลาพระสงฆ์ที่พูดบ้างจำลีลาถ้า จ, จำภาพพระพุทธรูปบ้างดูสองอย่างอย่างไหนเหลือนจับอีกอย่างหนึ่งเข้ามาแทนวันนี้ชัดเห็นน้ำภาพภาพพระพุทธรูปเห็นน้ำภาพพระสงฆ์ผู้ไม่เกิดเธอโดยจะดีใจมากก็ะรงความว่าทำอย่างนี้มาได้สามครั้งวาระที่สุดของชีวิตของเธอก็มาถึง เวลาที่มันจะตายจริงๆอาการป่วยวยก็สองกระเสะมาหลายวันมันปวดศี่สะบ้างแน่นหน้าอกบ้างเสียดท้องบ้างเป็นปกติแต่ในเวลานั้นก็ตั้งใจภาวนาบอกพุทโธนึกถึงภาพพนระกับภาพพระสงฆ์ที่เคยเห็นภาพก็ชัดเจนแจ่มใสเป็นบางกำลังบางที่มันปวดมากภาพก็หายไปเมื่อคลายหน่อยก็ลายกวจิตเห็นภาพแตใจไม่ยอมลด มันจะปวดยังไงก็ตามตั้งใจนัมมะปทะบ้างพุโทโธบ้างสังฆาเหตุภาพจับภาพประสงค์บ้างจับภาพพระพุทธบ้างสลับกันในที่สุดเธอก็ตายเวลาจะตายเธอบอกไม่มีความรู้สึกว่ามันจะตายมันเป็นเนพังฟืความรู้สึกรูปหนึ่งอาการปรากฏพิแรกว่าอึดเสียดมากอาการอึดเสียดหายไป มึงงงให้ปลายจิตเป็นสุขอารมณ์เป็นสุขมากมีความเยือกเยน็นมีความสบายใจจับภาพพระพุทธรูปภาวนาว่าพุพาาาพทโธเดี๋ยวก็พุทโธบ้างเดี๋ยวก็นามะปะทะบ้างก็ตีกันสองอย่างแต่ไม่เป็นไรก็เป็นคุณทั้งหมดภาพพระก็เกิดมีสภาพแจ่มใสสดใสขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นตามลำดับเป็นทองรามขึ้นในที่สุดพระยิม เป็นภาพพระพุทธรูปยิ้มเธอก็มีการสดชื่นตอนนั้นเองบรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านมาตอนนี้เธอคุยกว่าก็มีความรู้สึกวูบเหมือนก็ตกจากที่สูง <c> ไ <oughs> ด้มีความรู้สึกอีกทีหนึ่งมาอยู่บนวิมานบนสวรรค์ฉันเดาไปถึงสติวโลกวิมานของเธอแจ่มใสมากสดสวยมากแพรวพรายป็ยักษ์ เป็นสีน้ำมันกาซเป็นเพชรสีน้ำมันกา๊าซไม่รู้จะ บ, บายยังไงเจ้าว่าขาวไม่ใช่เป็นใสนะถานเธอว่าที่ได้บิมารอย่างนี้เพราะอะไรเธอตอบทันทีว่าเพราะสนใจในมนดบแก้วแในพระพุทธรูปในมนดบแก้วถามว่าไปในมันดบ ก, กี่ครั้งเธอบอกไปสามครั้งติดใจ เวลามีงานก็ไปยาปกติก็ไปเวลาไปต้องขึ้นบันดกก่อนไปนั่งหนา้าพระภาวนาให้สบายตัดภาพปูทิ้งไปพระแทนดูภาพบันดกเชอบใจอันนี้เป็นปัจจัยให้ได้วิมานแก้วสามากสว่างมากถามว่าเธอมีนางภาพเป็นบริวารเท่าไหร่เธอมีนางภาพเป็นบริวารแนันนมนเทพบุตรบริวารเทกยิ้ม เี่บอกว่าไม่มีเทวดาเป็นบริวารเจ้าค่ามีแต่นางฟ้าเป็นบริวาร น, นางฟ้าที่เป็นบริวาร น, นมีสี่พันคนเรื่องประดับประดาก็มากทขาทำโดวยทว่าเขาบอกเอว่าอยากจเองนี่มานก็ปรากฏว่าเวลานั้นมีมานลอยมาในเมืองสวรรค์นี่แปลกบรรดาท่านผู้ฟัง บ้านเรามีบ้านยกบ้านไปไหนไม่ได้แต่ประเทศอเมริกาเขามีบ้านใส่รถยนต์ไปได้เขาลากไปได้ตั้งตตนใช้รถลากแต่ว่าวิมานบุสวรรค์บ้านบุสวรรค์นั้นไม่ต้องลากเพราะต้องการอยาเจี๋วิมานวิมานกล็ลอยมาทันทีนางฟ้าทั้งหมดหน้าตาแจ่มใสามากพิมายของเธอเธอติมมากโตมากไม่มีความสว่สวา ง, ส ว, า ง, ส, วางสว่างสว่างสว่มาก ก็ถามเธอว่าเธอมีความรู้สึกอย่างไรเรื่องบาปเกา่เาเวลานี้ภาพนางยักษินียังปรากฏอยู่เธอก็บอกว่าทราบภาพนางยักษินีนี่ความจริงไม่ใช่านางยักษินีจริงเป็นภาพที่แสดงออกมาท่านปรากฏนี่เองแต่ปกติฉันไม่เห็นแต่ก็ว่าภาพนั้นควรจะเป็นพยานให้ท่านาราบว่าฉันยังเป็นคนมีบาป ถามเธอว่าเธอรทราบไหมถ้าหมดบุญเจ้าสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวัโลกเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าทราบเขอจะเอาฉันไปไว้นรกชั้นที่ห้าถ้าถามเธอว่าจะไปไหมเธอก็ตอบว่าที่ไปซอยสายลมพระสอนบอกว่าให้หนีปณิพาน์เวลานี้ทังก็ตั้งใจปณิพันธ์จะไม่ฟางเทศจิพจุลามุนีจีสถานเสมอ แล้วก็ที่บรรดุกำพลศิลาอาช ว, วาที่ประชุมเทวสภาก็มีหลายวาระที่เทพที่บรรดาพระโพธิสัตว์ท่านมาเทศวันไหนพระโพธิสัตว์ไม่มาไม่ว่างเขาไปอินให้เขาเทศแทนท่านเทศสงเคราะห์ให้เทวดาทุกคนบำเพ็ญกุศลต่อให้ทุกคนมองดูกรรมของตัวเองว่ากรรมที่เป็นอกุศลที่ดั่งเดิมก่อนที่จะตายนี้กรรมที่เป็นอกุศลมีไหม แล้วกรรมที่เป็นกุศลนั้นทิ้งเราหรืออย่างเทวดาและนางฟ้าทุกคนก็ปฏิบัติตามท่านเองความว่าไม่มีเทวดาไม่มีนางฟ้าองค์ไหน <c oughs> ที่ไม่มีบาป ก, กรรมต่อท้ายอยู่เบื้องหลังควบคุเมเบ้างหลังนั้นเทวดาและนางฟ้าทุกองค์ก็ตั้งใจความเป็นกุศลหวังปผพานเมื่อคุยกับเธอจบ ก็ถามเธอว่าเธอมีอะไรจะสั่งไปถึงพวกบ้านไหมเธอก็ตอบว่าฉันก็ขอสั่งสั่งตามท่านท่านเขียนหนสีอแล้วก็บอกเขาด้วยนะว่าฉันคนชื่อปออยู่หน้าตายเมื่อยุห้าสิบเจ็ดปีอาชีพเดิมจับปูแล้วก็ขายปูต่อมาเมื่อสี่สิบปีเสรจก็แปลกดว่าเป็นนักบุญ เวลานี้มีความสุขมากแต่ว่าไอ้กรรมเก่าขบรรดาลูกหลานทุกคนที่อยู่ในเมืองมนุษย์คิดว่าการฆ่าสัตว์ชีวิตเป็นปัจจัยเกิดความสุขกับตัวเองในความจริงไม่จริงมันยันลากแหววใบหญิงจะมีความทุกข์หนักความสุขนิสตึงที่ทำใหร่างกายอิ่มไม่มีความสำคัญไม่คุ้มครองไม่คุ้มกัน ฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานนะพี่น้องทุกคนจนละบาปอุศลททำงานรับจ้างเขาที่ไม่เป็นบาปดีกว่ารอรบันดาแทนพุทธบริษัททงหลายโดยทวนนามองดูเวลาแล้วก็เหลือนาทีเสรษ จ, จ, จะหมดเทพที่ตั้งไว้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ขุนผลจงมีแดบบบ่บรรดาพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี